เลริญพรท่านสาธุชนผู้ฝ่ายธรรมทุกๆ ท, ท่านวันนี้เป็นวันที่หนึ่งกรกฎาคมพุทธศักราช2547ตรงกับวันพระหัต์ขึ้น15ค่ำเดือน8ปีวอกเป็นวันพระวันธรรมสวรนะ วันฟังธรรมก่อนที่พระพุทธเจ้าจะทรงเสด็จดับขันปรินิพพานจากพวกเราไปพระพุทธองค์ได้ทรงตรัสไว้ว่าพวกเธอทั้งหลายจะไม่อยู่โดยปราศจากศาสดาเพราะพระธรรมวินัยที่ตถาคตได้ตรัสไว้ชอบแล้ว จะเป็นศาสดาของพวกเธอต่อไปเพราะผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นตถาคตเห็นเราตถาคตผู้ใดเห็นตถาคตผู้นั้นย่อมเห็นธรรมนี่คือคำสอนที่พระเจ้าทรงตัดไว้เพราะทรงเป็นห่วงว่าพวกเราจะคิดว่าหลังจากที่ พระพุทธเจ้าได้จากพวกเราไปแล้วจะไม่มีครูคอยอบรมสั่งสอนพวกเราอีกถ้าพวกเราน้อมเอาคำสอนต่างๆที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนไว้มาประพฤติปฏิบัติไม่ช้าก็เร็วเราก็จะมีดวงตาเห็นธรรมเมื่อมีดวงตาเห็นธรรมแล้วเราก็จะเห็นพระพุทธเจ้า เราก็จะมีพระพุทธเจ้าอยู่ในใจของเราไว้ปกป้องคุ้มครองรักษาเราให้พ้นจากภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงการที่เราห้อยพระไว้ที่คอนั้นเป็นการห้อยพระเพื่อเป็นการเตือนสติปลุกจิตสำนึกของเราให้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าให้ระลึกถึงคำสั่งคำสอนของท่าน เพื่อเราจะได้ประพฤติปฏิบัติเพราะเมื่อเราได้ประพฤติปฏิบัติตามแล้วเราจะมีสิ่งคุ้มครองแล้วแต่ถ้าเร า, เาห้อยพระไว้เฉยๆแต่เราไม่ได้สนใจที่จะศึกษาปฏิบัติตามพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าแล้วพระที่เร า, เาห้อยนั้นก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรต่อให้เป็นพระที่มีราคาแพ ง, แพง เป็นหลายสิบล้านบาทปลุกเสกโดยพระเเกเอจิอาจารย์ชื่อดังขนาดไหนก็ตามแต่ถ้าเราไม่น้อมเอาพระธรรมคำสอนมาปฏิบัติเช่นทำแต่ความดีละเว้นการกระทำความชั่วทั้งหลายแล้วพระที่เราห้อยขอนั้นก็จะไม่ได้ช่วยเหลืออะไรเราเลย โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเรายังไม่ละไม่เลิกจากอบายามุขทั้งหลายเช่นการเสพสรารยาเมาการเล่นการพนันการเที่ยวกลางคืนการครบคนชั่วเป็นมิตรและความเกลียดคร้านรวมถึงการกระทำที่ไม่ดีไม่งามเช่นฆ่าสัตว์ตัดชีวิตลักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีพูดปลดมดเท็ พูดคำยาบพูดเพาะเจอ้อพูดส่อเสียดยุยงให้เกิดความแตกแยกสามคัคคีแล้วก็ยังมีความโลภความโกรธความหลงอยู่ในใจแล้วแล้วก็พระจะไม่คุ้มครองเราเลยเพราะเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกับพระนั่นเองถ้าเป็นพระแล้วท่านจะอยู่ห่างไกล จากอบายามุขทั้งหลายท่านจะอยู่ห่างไกลจากการกระทาความชั่วทั้งหลายท่านจะอยู่ห่างไกลจากความโลภความโกรธความหลงทั้งหลายถ้าได้อยู่ห่างไกลจากสิ่งเหล่านี้แล้วภัยต่างๆที่เกิดจากสิ่งเหล่านี้ก็จะไม่สามารถปรากฏขึ้นมาได้อย่าไปคิดว่าพิษภัยมันเป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นมาของมันเอง ความทุกข์ทั้งหลายความเสื่อมเสียทั้งหลายนั้นล้วนเกิดจากการกระทําของเราทั้งสิน้นถ้าเราไปยุ่งเกี่ยวกับอบายามุขเรื่องเกี่ยวกับการทาบาปทำกรรมยุ่งเกี่ยวกับความโลภความโกรธความหลงแล้วความทุกข์ความเสื่อมเสียที่เราไม่ปรารถนาก็จะเป็นผลตามมาอย่างแน่นอนแต่ถ้าเราไม่ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องเหล่านี้แล้ว รับรองได้ว่าความทุกข์ความเสื่อมเสียทั้งหลายก็จะไม่เป็นสิ่งที่จะตามมาได้ส่วนเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นที่เรียกว่าเป็นธรรมดาคือความเสื่อมของสังขารร่างกายเช่นความแก่ความเจ็บความตายนั้นเป็นสิ่งที่เป็นธรรมดาของโลกนี้เป็นคติธรรมดาเป็นธรรมชาติของโลกนี้ เมื่อมีเกิดย่อมมีแก่มีเจ็บมีตายเป็นธรรมดาย่อมมีการพัดพรากจากกันเป็นธรรมดาสิ่งเหล่านี้แม้แต่พระพุทธเจ้าเองพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายคนที่ทําความดีทั้งหลายก็จะต้องพบด้วยกันทั้งสิ้นเพราะเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เหมือนกับเวลาเราลงไปในน้ํา มันต้องเปียกด้วยกันทั้งนั้นไม่มีใครไม่เปียกเพราะธรรมชาติของน้ํานั้นย่อมสร้างความเปียกชื้นให้กับผู้ที่ไปสัมผัสฉันใดผู้ที่มาเกิดในโลกนี้ก็ต้องสัมผัสกับความเสื่อมเป็นธรรมดาคือความแก่ความเจ็บความตายไม่มีใครอยู่เหนือสิ่งเหล่านี้ได้ไม่ว่าจะเป็นพระเจ้าแผ่นดินเป็น ป, นประธานาธิบดี เป็นนายกรัฐมนตรีก็ตา่าง <c oughs> ก็ต้องเจอกับสิ่งเหล่านี้ด้วยการทําสิน้นสิ่งเหล่านี้จึงไม่ใช่เป็นความเสื่อมที่แท้จริงความเสื่อมที่แท้จริงนั้นเกิดจากการกระทำของเราเช่นที่ได้แสดงไว้เมื่อกี้นี้คืออบายามุกทั้งหลายการทำบาปทำกรรมทั้งหลายการสะสมความโลภความโกรธความหลงทั้งหลายนี้แหละ ที่จะเป็นเหตุให้เกิดความเสื่อมขึ้นมาไม่มีความเจริญที่จะเกิดขึ้นได้กับบุคคลนั้นๆต่อให้ได้เป็นนายกรัฐมนตรีเป็นประธานาธิบดีเป็นพระเจ้าแผ่นดินก็ไม่ถือว่าเป็นความเจริญต้องถือว่าเป็นความเสื่อมเพราะเป็นความเสื่อมของจิตใจนั่นเองการที่เราทำความดีนั้นก็เพื่อที่จะรักษา จิตใจของเราให้ให้อยู่ดีนั่นเองให้เป็นสุขติให้เจริญให้รุ่งเรืองถ้าเราทำบาป ท, ทำกรรมยุ่งเกี่ยวกับอบายมุกมีแต่ความโลภความโกรธความหลงแล้วแล้วก็ใจของเราจะต้องเสื่อมไปเรื่อยๆเสื่อมจากความเป็นมนุษย์ลงไปสู่เป็นเดรัจฉานเป็นเปรตเป็นอสูรกายและเป็นสัตว์นรก เพราะการกระทาเหล่านี้ล้วนเป็นเหตุของความเสื่อมทั้งสิน้นดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงสั่สอนให้พวกเรานั้นจงเห็นคุณค่าของธรรมยิ่งกว่าสิ่งใดในโลก ส, สอนให้สละทรัพย์สมบัติเงินทองข้าวของและชีวิตเพื่อรักษาธรรมดังที่พระพุทธองค์ได้ทรงปฏิบัติมา ในเบื้องต้นก็ได้สะละราชสมบัติของราชกุมารเพื่อออกปฏิบัติธรรมและในขณะปฏิบัติธรรมก็ทรงกล้าที่จะสละชีวิตเพื่อให้ได้ทำที่พระองค์ทรงปรารถนาทรงอดพระกายาหารถึง4ี่วันด้วยกันแต่เมื่อเห็นว่าการอดอาหารนั้นไม่ใช่วิถีทางที่จะทำให้จิตหลุดพ้น จากอาสวะทั้งทั้งปวงได้จึงทรงย้อนกลับมานั่งสมาธิแต่ก็ตั้งจิตอธิษฐานไว้ว่าจะไม่ลุกจากที่นั่งอันนี้ไปเป็นอันขาดปราบใดถ้ายังไม่ได้บรรลุตัดสรู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงแล้วถ้าร่างกายนี้จะต้องตายไปในขณะที่ปฏิบัติ ก็จะขอตายไปถ้ายังไม่ได้ธรรมะที่ทรงปรารถนาเนี่ยนี่คือความสำคัญของธรรมะเพราะธรรมะนี้ถ้ามีในใจของเราแล้วเราจะปลอดภัยจากทุกทั้งหลายทุกที่เกิดจากความแก่จากความเจ็บจากความตายจากการพัดพรากจากสิ่งที่รักจากการประสบกับสิ่งที่ไม่ชอบไม่ปรารถนา เพราะธรรมะนี้จะรักษาจิตใจให้อยู่เหนือสิ่งเหล่านี้ได้เท่านั้นอย่างเดียวไม่มีอะไรในโลกนี้จะทำให้เราอยู่เหนือความทุกข์ที่เกิดจากความเจ็บความแก่ความตายได้ถึงต่อให้เรามีเงินเป็นร้อยล้านพันล้านเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็จะต้องวุ่นวายใจเวลาใกล้จะตายก็ยิ่งวุ่นวายใจใหญ่ เวลาตายไปเงินทองก็ช่วยอะไรไม่ได้ไม่สามารถยับยั้งความตายได้ไม่สามารถยับยังยาายบย้งความทุกข์ทีท่โหมกระหน่าสู่จิตใจได้แต่ธรรมะของผู้เจ้านี่แหละจะเป็นสิ่งเดียวเท่านั้นในโลกนี้ที่จะประกับประคองรักษาใจไม่ให้ไปทุกข์กับเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นที่มาสัมผัสกับใจ ถ้าใจมีธรรมะแล้วใจจะรู้จักปล่อยวางเมื่อปล่อยวางแล้วก็จะไม่มีอะไรเข้ามารบกวนจิตใจปัญหาของใจนั้นเกิดจากความไม่รู้เกิดจากความหลงที่ผลักดันให้จิตใจไปยึดไปติดไปรักไปชอบไปเกลียดไปชังสิ่งต่างๆเมื่อมีความยึดติดอยู่แล้ว เมื่อมีอะไรเกิดขึ้นกับสิ่งที่ตนไปยึดไปติดไว้ก็ต้องเกิดความทุกข์ขึ้นมาลองสังเกต ด, ดูถ้าเป็นสมบัติของคนอื่นเขาเช่นบ้านของคนอื่นหรือรถยนต์ของคนอื่นเวลาบ้านเกิดไฟไหม้ขึ้นมาหรือรถยนต์เกิดพลิกคว่ำเสียไปถูกทําลายไปถ้าเป็นของคนอื่นเราจะไม่รู้สึกเสีย อ, อกเสียใจจะไม่เดือดร้อนเลยแม้แต่นิดเดียว แต่ถ้าเป็นบ้านของเราเป็นรถยนต์ของเราเราจะต้องเกิดความทุกเกิดความเศร้าโศกเสียใจขึ้นมาทันทีเพราะอะไรทั้งๆที่ก็เป็นบ้านเหมือนกันเป็นรถยนต์เหมือนกันต่างตรงที่ใจไม่ได้ไปยึดไปติดกับไปยึดไปติดเท่านั้นเองบ้านของคนอื่นรถยนต์ของคนอื่นเราไม่ยึดเราไม่ติดเราก็ไม่ทุกข์ แต่บ้านของเรายรถยนต์ของเราเรายึดเราติดว่าเป็นของเรามันก็เลยเกิดความทุกข์ขึ้นมาแต่ถ้าเราเตรียมตัวเตรียมใจไว้ก่อนล่วงหน้าแล้วว่าบ้านนี้ก็ไม่ใช่ของเรารถยนต์คันนี้ก็ไม่ใช่ของเราเป็นของที่เราได้ยืมมาไว้สำหรับใช้เท่านั้นสักวันหนึ่งก็จะต้องคืนเขาไปจะคืนไปเมื่อไหร่ ก็ไม่มีใครรู้เมื่อถึงเวลามันจะเกิดขึ้นมันก็ต้องเกิดขึ้นเมื่อจิตใจเราพร้อมที่จะจากทจากสิ่งเหล่านี้แล้วเวลาถึงเวลาที่จะต้องจากกันก็จะไม่เดือดร้อนอะไรไม่ทุกข์อะไรนี่แหละคือความหมายของธรรมะคือปัญญาความรู้ที่ถูกต้องเรียกว่าสัมมาทิฏฐิ ขอให้รู้ขอให้เห็นขอให้มองว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้มาตั้งแต่ร่างกายของเรารวมไปถึงสิ่งของต่างๆบุคคลต่างๆไม่ว่าจะเป็นสามีภรรยาบุตรธิดาบิดามารดาพี่น้องญาติสนิทมิตสหายนั้นไม่ใช่เป็นสมบัติของเราอย่างแท้จริง เป็นสมบัติก็เป็นสมบัติเพียงชั่วคราวเหมือนกับเป็นของยืมของมาสักวันหนึ่งเขาก็จะต้องมาเอาคืนไปเมื่อเขาเอาไปถ้าเรารู้ล่วงหน้าไว้ก่อนเราเตรียมตัวเตรียมใจไว้ก่อนเราก็จะไม่เศรา้าโศกเสียใจเราก็จะไม่ทุกข์แต่ถ้าเราไม่เตรียมตัวเตรียมใจไว้ก่อนเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้นมา เราจะทำใจไม่ได้เราจะร้องห่มร้องไห้เศร้าโศกเสียใจกินไม่ได้นอนไม่หลับถ้าเป็นสิ่งที่เรารักมากยิ่งกว่าตัวเราก็จะทำให้เราทนอยู่ต่อไปไม่ได้ถึงกับจะต้องฆ่าตัวเราไปตามไปกับสิ่งที่เราสูญเสียไปก็มีนี่เป็นเพราะว่าความหลงพาให้เราหลงยึดติดกับสิ่งต่างๆ ทั้งหลายที่เราได้มานั่นเองโดยไม่มีธรรมะคอยกระซิบคอยบอกเลยว่าอย่าไปหลงอย่าไปยึดอย่าไปติดสักวันหนึ่งก็ต้องจากกันสักวันหนึ่งก็ต้องคืนสิ่งเหล่านี้ไปไม่มีใครเอาอะไรไปได้ติดตัวไปได้มาตัวเปล่าเล่าเวลาไปก็ไปตัวเปล่าเล่าทิ้งไม่หมดทุกสิ่งทุกอย่างสังขารร่างกายนี้ก็ปล่อยให้คนอื่นเข้าเอาไปเผา รับสมบัติเข้าของเงินทองก็ให้เขาจัดการให้คนอื่นเขาจัดการเอาไปแบ่งเอาไปแจกเอาไปจ่ายกันตามแต่สมควรนี่คือความจริงของโลกนี้ความจริงของชีวิตนี้ถ้าเราต้องการที่จะไม่ให้ความทุกข์มาย่ำเหยียบย่ำจิตใจของเราเราก็ต้องยึดเอาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติ การได้ยินได้ฟังธรรมะนั้นยังไม่เพียงพอเพราะยังไม่สามารถที่จะทำให้ใจมีกำลังที่จะทำตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนได้เช่นทรงให้ปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเรายังทาไม่ได้แต่เราจะเริ่มทำได้ถ้าเราเริ่มมาฝึกฝนอบรมปฏิบัติเริ่มให้สิ่งเล็กๆน้อยๆ ที่มันไม่มีความจําเป็นต่อชีวิตของเราไปก่อนเช่นอย่างวันนี้ท่านก็สละเวลาเล็กๆน้อยๆของท่านสละทรัพย์สินสมบัติเงินทองเล็กๆน้อยๆที่มีเหลือใช้เอามาซื้อข้าวของมาถวายพระทําบุญถวายพระอย่างนี้ก็เท่ากับเป็นการปล่อยวางแล้วแต่ยังต้องทําไปอีกเรื่อยๆ ต้องพยายามทำให้มากยิ่ ง, งขึ้นไปเพราะถ้าเราสามารถให้ได้มากเท่าไหร่ใจของเราก็จะมีความสุขมีความสงบมากยิ่งขึ้นไปเท่านั้นแล้วความวุ่นวายความหลงยึดติดกับทรัพย์สินสมบัติเข้าของเงินทองก็จะมีน้อยถอยลงไปเรื่อยๆต่อไปเราจะเริ่มเห็นว่าเงินทองที่มีเหลือใชน้นี้เก็บไว้ก็มีแต่ความ ทุกมีแต่ความวุ่นวายมีแต่ภาระต้องคอยดูแลรักษาถ้าเอาไปให้ไปช่วยเหลือผู้อื่นก็ทำให้ผู้อื่นเขามีความสุขแล้วเราก็มีความสุขด้วยนี่ก็สิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราทำในเบื้องต้นอย่าสะสมอย่าเป็นคนตรหนี่อย่าเป็นคนหวงแหนสิ่งต่างๆที่มันไม่มีความจำเป็นต่อชีวิตของเรา ความจำเป็นของชีวิตของเราก็ไม่มีมากเพียงปัจจัยสี่ก็พอเพียงแล้วมีอาหารรับประทานมียารักษาโรคมีเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มไว้ใส่มีบ้านไว้อยู่เท่านี้ก็พอแล้วสิ่งอื่นๆนั้นล้วนแต่เป็นของฟุ่มเฟือยทั้งสิ้นไม่มีก็ไม่มีปัญหาอะไรไม่มีกับดีกว่าเสียอีกเพราะจะได้ไม่ต้องมาเป็นภาระ เช่นมีเพชรเน้นจินดามีทองเก็บไว้ในบ้านก็ต้องมีความกังวลเวลาไปไหนมาไหนก็ต้องคอยดูแลรักษาต้องคอยห่วงบางทีก็ไม่อยากจะออกจากบ้านกลัวคนจะมาขโมย ส, สมบัติที่มีอยู่ในบ้านไปแต่ถ้าเราเอาไปใช้เป็นประโยชน์เสียทําคุณทําประโยชน์เราก็จะไม่ต้องมากังวลกับ เรื่องข้าวของเงินทองเหล่านี้นี่คือการปล่อยวางในเบื้องต้นปล่อยวางสิ่งที่มันเหลือใช้เกินความจำเป็นแล้วก็ให้ปล่อยวางเรื่องราวอย่างอื่นที่มันไม่จำเป็นอย่าไปยุ่งเกี่ยวด้วยถ้าไม่มีความจำเป็นเรื่องของคนอื่นเขาเขาจะเป็นอย่างไรเขาจะดีเขาจะชั่วมันก็เรื่องของเขาคอยดูแลใจเราก็พอ คอยดูแลใจเราไม่ให้ไปยุ่งไปแบกภาระของคนอื่นเขาถ้าจะเกี่ยวข้องกับคนอื่นก็ให้ใช้ปัญญาว่าเราจะสามารถช่วยเหลือเขาได้หรือไม่หรือเขายินดีที่จะรับความช่วยเหลือจากเราหรือไม่ถ้าเราช่วยเหลือได้ก็ช่วยไปถ้าเขายินดีให้เราช่วยเหลือเราก็ช่วยไปแต่ถ้าเขาไม่ยินดีให้เราช่วยเหลือ เช่นเขาไม่ต้องการให้เราว่ากล่าวตักเตือนก็อย่าไปเสียน้ำลายเสียเวลาพูดไปเพราะการว่ากล่าวตักเตือนการสั่งสอนผู้อื่นด้วยธรรมะนั้นเป็นเหมือนกับการให้ทรัพย์ที่ประเสริฐคนฉลาดเท่านั้นแหละจะยินดีน้อมรับเข้ามายกมือไหว้ว่าเวลาใครเขาว่ากล่าวตักเตือนเราเหล่านั้นเหมือนกับการชี้ขุมทรัพย์ให้กับเรา เพราะเรากำลังบกคร่องเรากำลังไม่ดีถ้ามีคนมาบอกเราแล้วเราได้สติแล้วเราแก้ไขเสียความบกคร่องความไม่ดีมันก็จะหมดไปเราก็จะเป็นคนดีขึ้นมาได้แต่ถ้าเราปฏิเสธคำว่ากล่าวตักเตือนของผู้ที่ ม, มีความปรารถนาดี<ม>ก็เท่ากับการปฏิเสธทรัพที่ประเสริฐที่เขาชี้บอกเราว่าอยู่ตรงไหนนั่นเอง คนที่จะขาดทุนก็คือคนที่ไม่ต้องการให้คนอื่นมาว่ากล่าวตักเตือนแต่คนที่ฉลาดนั้นย่อมยินดทีที่จะฟังคำว่ากล่าวตักเตือนของผู้อื่นอยู่เสมอถ้าเราช่วยเหลือเขาได้อบรมสั่งสอนเขาได้ก็ช่วยไปสอนไปแต่ถ้าเขาไม่ยินดีก็อย่าไปสอนให้เสียเวลาเพราะจะกลายเป็นการเกลียดชังกัน พราเรามัวคอยไปจ้ำจี้จ้ำชัยเขาเขาก็จะโกรธเราถึงแม้เขาจะเป็นลูกเราก็ต่ามถ้าเรามีหน้าที่สอนก็พูดไปเพียงครั้งสองครั้งก็พอให้เขารู้ว่าอะไรผิดอะไรถูกอะไรดีอะไรชั่วแต่ถ้าเขาไม่ยินดีไม่อยากจะปฏิบัติธรรมตามมันก็เป็นกรรมของเขาช่วยอะไรไม่ได้ แต่ถ้าเขาเป็นคนฉลาดเขามีสานึกเขายินดีที่จะรับฟังและนนำไปปฏิบัติตัวเขาเองก็จะดีขึ้นไปตามลำดับดังนั้นปรยามที่พยายามปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ใกล้ตัวเราอย่าไปทุกข์กับเรื่องของคนอื่นเขาโดยไม่จำเป็นแต่ไม่ได้หมายความว่าไม่ให้แยแส ไม่ให้ให่ดีไม่ให้ขาดความเมตตากรุณาความเมตตากรุณานั้นต้องมีอยู่เสมอต้องยินดีที่จะช่วยยินดีที่จะสงเคราะห์ผู้อื่นอยู่เสมอแต่ต้องมีปัญญาว่าการสงเคราะห์การช่วยเหลือนั้นเป็นไปได้หรือไม่ถ้าเป็นไปไม่ได้ก็ต้องวางใจเป็นอุเบกขาคือต้องวางเฉยถือเสียว่า คนคนนี้เหมือนกับเป็นคนหูหนวกตาบอดพูดไปจนวันตายก็ไม่ได้ยินชี้ไปอย่างไรก็มองไม่เห็นเสียเวลาเปล่าๆ เ, เราจะได้ไม่ต้องมาหนัก อ, อกหนักใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งพ่อแม่นั้นโดยปกติย่อมมีความรักลูกเสมอมีความปรารถนาดีต่อลูกเสมออยากจะให้ลูกได้เป็นคนดีพยายามพร่มสอนอยู่เสมอ แต่บางทีลูกก็เป็นเหมือนกับคนหูหนวกนั่นแหละพูดไปยังไงก็เหมือนกับเข้าหูซ้ายออกหูขวาไม่มีหลงเหลืออยู่ภายในจิตใจเลยดีไม่ดีพูดมากๆก็เกิดความโกรธเกิดความเกลียดชังบิดามารดาขึ้นมาเสียอีกเป็นการกระทำที่เราจะไปสร้างบาปสร้างกรรมให้กับเขาทำให้เขาขาดความกตัญญูกตวเวที ดังนั้นเวลาที่เราจะสั่งสอนลูกก็ขอให้สั่งสอนพอประมาณพอให้รู้ว่าเขายินดีที่จะฟังหรือไม่ฟังถ้าเขาไม่ยินดีแล้วก็จบกันทำใจเสียเถิดว่าคนเราไม่ช้าก็เร็วก็ต้องจากกันเกิดมาในโลกนี้เราไม่ได้อยู่กันไปตลอดแล้วคนเราก็มีกรรมเป็นของของตนไม่ว่าใครทำอะไรก็ต้องรับผลของกรรมนั้น การที่เขาไม่สามารถรับสิ่งดีๆที่เราจะมอบให้กับเขาได้ก็เป็นเพราะจิตใจของเขาในอดีตได้สะสมบาปกรรมมาไว้มากจิตใจของเขายังติดอยู่กับสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายเช่นติดอยู่กับอบายามุขการเสพชลายาเมาการเที่ยวกำคืนการเล่นการพนันถ้าเขาเคยสะสมนิตรสายอย่างนี้มาเมื่อเขามาเกิดในโลกนี้ เขาก็ยังเอานิสัยนี้มาอยู่เขาไม่ได้เอานิสัยจากพ่อจากแม่นิสัยนี้มาจากกรรมดังที่พระเจ้าบอกว่าเรามีกรรมเป็นเผ่าพันเผ่าพันของเราคือกรรมเผ่าพันของเราไม่ใช่บิดามารดาบิดามารดาให้เราเพียงแต่ร่างกายเท่านั้นแต่ร่างกายนั้นไม่ได้ไม่ใช่จิตใจร่างกายจะทำอะไรได้ต้องอยู่จิตใจเป็นผู้สัง่ง ถ้าจิตใจชอบเล่นการพนันจิตใจชอบเข้าเข้าโรงบารเข้าเสพสุรายาเมาจิตใจก็จะสั่งให้ร่างกายไปเล่นการพนันไปเสพสุรายาเมาดังนั้นพ่อแม่จึงต้องทําความเข้าใจว่าลูกเรานั้นเขาเป็นลูกเราเพียงครึ่งเดียวเท่านั้นคือก็เป็นลูกเราที่ร่างกายร่างกายนี้เป็นของเราเราให้กับเขาไป แต่ใจของเขานั้นมาจากที่อื่นใจของเขาลอยมาจากภพก่อนชาติก่อนเขาสะสมบุญกรรมอันใดไว้เขาก็จะไปตามบุญตามกรรมที่เขาได้สะสมไว้ถ้าเขาได้สะสมบุญมาพอสมควรและกรรมของเขาก็ไม่มากเวลาเราอบรมสั่งสอนเขาในทางบุญในทางที่ดีเขาก็จะน้อมรับไปได้ง่ายแต่ถ้าเขาสะสมกรรมมามากกว่าบุญ เราสอนให้เขาทำบุญเขาจะน้อมรับไปไม่ได้มากเท่าที่ควรเขาจะไปทำกรรมเสีมากกว่าอย่างพระพุทธเจ้านั้นได้สะสมบุญบารมีมามากหลายภพหลายชาติด้วยกันพอมาเกิดถึงแม้พระราชบิดาอยากจะให้พระพุทธเจ้าอยู่เป็นกษัตริย์เพื่อจะได้เป็นมหาจักรพรรดิต่อไปแต่ใจของพระพุทธเจ้านั้นได้ โน้มได้โน้มเอียงไปทางบุญทางกุศลอยากจะปฏิบัติเป็นพระบรมศาสดาเป็นพระอรหันต์เป็นพระพุทธเจ้าเท่านั้นดังนั้นจึงไม่มีอะไรที่จะสามารถหยุดยั้งพระพุทธเจ้าได้ถึงแม้พระราชาบิดาพยายามที่จะสร้างปราสาทสามฤ ด, ดูเพื่อเป็นเครื่องรอดใจให้พระพุทธเจ้าได้อยู่ในโลก อยู่เป็นคารวาสเพื่อจะได้เป็นมหาจักรพรรดิต่อไปก็ไม่สามารถดึงพระพุทธเจ้าไว้ได้เพราะบุญบา ร, รมีที่พระพุทธเจ้าได้สะสมมานั้นมีมากมีแรงมากจนกระทัง่งไม่มีอะไรจะหยุดยั้งได้เช่นเดียวกับบุญบา ร, รมีหรือบาปกรรมที่พวกเราได้กระทำกันในแต่ละวันก็เป็นเช่นนั้นถ้า ทำบุญบุญก็จะดึงเราไปในทางที่ดีถ้าทำบาปมันก็จะดึงเราไปในทางที่ไม่ดีอย่างวันนี้เรามาทำบุญกันมันก็จะดึงให้เรามาทำบุญอยู่เรื่อยๆเช่นท่านทั้งหลายได้มากระทำกันอย่างต่อเนื่องเกือบทุกวันพระและเป็นเวลาหลายเดือนหลายปีด้วยกันก็เพราะท่านได้สะสมมาทางนี้นั่นเองเมื่อสะสมมาจางนี้เมื่อถึงเวลามันก็จะมาทางนี้โดย อัตโนมัติมันเป็นไปตามกำลังของบุญที่เราได้สะสมไว้จึงขอให้เราจงเชื่อพระพุทธเจ้าถึงแม้พระพุทธเจ้าจะไม่ได้อยู่กับเราแล้วแต่ถ้าเราเชื่อพระพุทธเจ้าฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าและปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเราก็ยังเหมือนกับว่าได้อยู่กับพระพุทธเจ้าเพราะองค์พระพุทธเจ้าเองที่สำคัญนั้นไม่ได้อยู่ที่สรีระร่างกาย พระเจ้าทรงเคยตรัสไว้ว่าต่อให้เธอเกาะชายผ้าเหลืองของเราแต่ถ้าเธอไม่สนใจใยดีต่อคำสอนของเราแล้วเธอก็ยังอยู่ห่างไกลจากเราเป็นหลายร้อยโยชน์ด้วยกันในทางตรงกันข้ามถึงแม้เธอจะอยู่ห่างจากกห่างกายจากเรากี่ร้อยโยชน์ก็ตามแต่ถ้าเธอระลึกถึงคำสอนของเราอยู่เสมอแล้วนำคำสอนที่เราสอนเธอนี้ไปปฏิบัต ธอก็ไม่ได้ห่างไกลจากเราเลยแม้แต่เนี้ยนิดเพราะเธอจะได้รับประโยชน์เต็มที่เหมือนกับอยู่ต่อหน้าของอยู่อยู่ข้างหน้าเหล่านี้นี่แหละคือความหมายของคําว่าธรรมวินัยที่ตถาคตตัดไว้ชอบแล้วจะเป็นศาสดาของพวกเธอต่อไปขอให้เราจงอย่าไปคิดว่าเราอยู่ห่างไกลจากศาสดา ถ้าเรานึกถึงพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าเราก็อยู่ใกล้พระพุทธเจ้าและเมื่อเราปฏิบัติจนจิตของเรามีดวงตาเห็นธรรมขึ้นมาแล้วเราก็จะรู้ว่าพระพุทธเจ้านั้นไม่ได้อยู่ที่ไหนเลยอยู่ในใจของเรานี่แหละรอให้เราเข้าไปหาท่านท่านรอเราแล้วอยู่ในใจของเราดังที่ได้ทรงตรัสไว้ว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคต ถ้าเราปฏิบัติธรรมชำ่ำละกิเลสอาสวะความมืดบอดความหลงทั้งหลายให้หมดไปจากจิตจากใจความสว่างสวัยของพุท ธ, ธะก็จะปรากฏขึ้นมาภายในใจความสว่างสวัยของธรรมะก็จะปรากฏขึ้นมาภายในใจความสว่างสวัยของสังฆะคือผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็จะปรากฏขึ้นมาภายในใจของเรานี่แหละดังนั้น ประเด็นสําคัญที่จะทําให้เราได้เข้าสู่ความประเสริฐของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็อยู่ที่สุปฏิปันโนนี่คือความคือการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ป, ปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ตลอดเวลาเท่าที่เราจะสามารถหาเวลาที่จะปฏิบัติได้พยานปฏิบัติไปให้มากให้ได้เท่าไหร่ยิ่งดีมีอะไร สลัดได้ตัดได้ก็ตลัดก็สลัดไปตัดไปศีลรักษาได้มากน้อยเท่าไหร่